ขอเจริญพรอ่าญาติยโยมสาธุชนทุกท่านหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะมันก็เป็นเรื่องของการทำงานนะแต่ก่อนที่จะพูดขยายความว่าทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสมันหมายความว่าอย่างไรก็ต้องกลับมาที่คำถามพื้นฐานก่อนว่าเราทำงานไปเพื่ออะไร ก็ เ, เราเคยตั้งคําถามไหมว่าทำงานไปเพื่ออะไรเือมาถึงป่านนี้พวกเราคงตอบได้นะหลายคนก็จะบอกว่าทํางานเพื่อได้มีเงินเอาไว้เลี้ยงชีพนะเพราะถ้าได้มีเงินเดือนไม่มีค่าจ้างนะเราก็คงไม่มาทํางานนะผู้คนทั้งหลายเนี่ยหางานทำก็เพราะว่าต้องการมี เงนมีเครื่องเลี้ยงชีพแล้วก็ไม่ใช่เลี้ยงตัวเองอย่างเดียวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคนรักด้วยใชแต่ถามว่าตั้งเป้าหมาเพียงเท่านี้พอไหมถ้าเราตั้งเท่าเป้าหมายเพียงเท่านี้เนี่ยก็อาจจะขาดอะไรไปบางอย่างคนเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้ว ไอ้เงินที่จะเป็นสิ่งเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นนะของการทำ ง, งานถ้าเราคิดแต่เพียงว่าทำ ง, งานแล้วจะได้มีเงินเดือนเนี่ยเราก็คงทำ ง, งานอย่างมีความทุกนะทุกตลอดสามสิบวันเพื่อจะได้มีความสุขในวันสุดท้าย ก็คือวันเงินเดือนออกถ้านั่นคือจุดมุ่งหมายของเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะทุกตลอดสามสิบวันเพียงเพื่อจะมีความสุขแค่วันเดียวเนี่ยมันสมควรหรือเปล่าเนื่อเมื่อทำงานแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราควรจะได้นะก็คือความสุขนะการทำงานอย่างมีความสุขนะเป็นสิ่งสำคัญนะความสุขเนี่ยมันมาได้หลายทางความสุขที่คนส่วนใหญ่รู้จัก ก็คือความสุขจากการได้จากการมีเช่นมีเงินเดือนยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเพราะว่าเงินเดือนก็หมายถึงนะสิ่งอำนวยความสะดวกเสื้อผ้าโทรศัพท์โทรทัศน์ผู้เย็นรถยนต์บ้าน มีเงินไปเที่ยวมีเงินไปจัดจ่ายใช้สอยในใน5นี่เรียกว่าความสุขที่เกิดจากการมีการได้การเสพมีเงินเพื่อได้ไปฟังเพลงกินอาหารอร่อยดูหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะมีความสุขเมื่อถึงวันที่เงินเดือนออกเพราะว่าได้เงินมาก้อ น, นึ และจะได้เอาเงินนั้นไปซื้อไปเสพแต่ว่ามีความสุขอีกประเภทหนึ่งนะั้นเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ได้ลงมือทาทำแล้วเกิดความสุขเกิดความภาคภูมิใจอันนี้คือความสุขที่พ่อแม่ของเรายากผู้ใหญ่ของเรารู้จักพ่อแม่เนี่ย เลี้ยงดูเราเขาเหนื่อยเขาต้องทำอาหารให้เรากินสมัยก่อนก็อาจจะต้องตัดเสื้อผ้าให้เราสวมใส่แต่ก็มีความสุขเหมือนกับเราซึ่งเป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยความสุขอันหนึ่งในช่อของเราคือการที่ได้ดูแลลูกด้เลี้ยงดูลูกความสุขแบบนี้เนี่ย เป็นความสุขที่เกิดจากการให้เกิดจากการสละเป็นความสุขที่เกิดจากการทําไม่ใช่การมีการได้การเสพนะและความสุขแบบนี้เราก็สามารถจะได้จากการทํางานเดิมกันทําแล้วเนี่ยมีความสุขเพรสุกว่าตัวเองมีคุณค่า อัตอมาเคยไปประเทศไต้หวันนะไปดูงานของมูลนธิธิชิวจี้นะซึ่งคนไทยไปดูงานที่นั่นเยอะเป็นหมืนหม่นๆชิวจี้เนี่ยเขาก็เป็นมูลนธิธิแต่ว่ามีสมาชิกเป็นล้านๆเลยนะและ้วจุดเต่นของเขาคือการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมโรงเรียนโรงพยาบาล และโครงการก็มีชื่อมากโครงการเรียกว่าเป็นเป็นโร ง, งงานนะสถานีรีไซเคิลก็มีประมาณ5้าพสถานีแต่สถานีก็ไม่ได้ใหญ่โตนะก็เหมือนกับเป็นโกดังหรือว่าเป็นบ้านใหญ่ๆ ห, หลังอ่าหลังหนึ่งแต่มีทั่วเกอกเลยเป็นที่ที่เอาขยะเนี่ย มาดีไซน์เคลมจะเป็นกระดาษพลาสติกขวดน้ำอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเขาไม่ไม่เคยจ้างใครเขามีอาสาสมัครอาสาสมัครเนี่ยก็ที่รามาไปเห็ น, นก็รู้แล้วแต่เป็นคนชราวัยเกษียณแล้วอ า, าอากงอแปะแะจะพูดแบบบ้านเรา ก็นั่งยองๆฉีกตะดาษหรือว่าเอาขวดเอาฝาขวดออกมาเพื่อไปริไซเคิลรายได้เนี่ยเขาก็ไปใช้ในการสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ต้ไอใต้ ไ, ไปมหากรุณาไปลงไปลงไปลงเป็นไซนโซ ท, ทัศน์คุณธรรม อ, อาแปะอาม่าหรืออากงที่เห็นเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะบางคนอาจจะเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นผู้จัดจา ก, การธนาคารนะเป็นสถาปนิกเขามาทำโดยที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าจ้างมีอาแปคนหนึ่งจะบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยคือขยะคืนชีพ หมายความ่ายัางไงหมายความว่าคือตอนที่แกเกษียณเนี่ยแกก็อยู่บ้านบําเหน็จบํานาญก็มีแต่ว่าแกไม่มีความสุขทั้งที่มีกินมีใช้คนคนไต้หวันเนี่ยไม่เหมือนคนไทยหรือคนในชนบทคนใช้ในชนบทเนี่ ย, ยแกแล้วเนี่ยก็ยังมีงานทำเช่นได้เลี้ยงได้เลี้ยงหลาน ไม่ได้อยู่เป่าเปล่าไม่ได้อยู่ว่างๆเลี้ยงหลานบางทีก็สารกระบุงตะก้าทอผ้าแต่คนแก่ในไต้หวันเนี่ยกเกษียณแล้วก็ไม่มีอะไรทาําก็เอาแต่นั่งดูโทรทัศน์นั่งดูเอานั่งนั่ ง, น, ง, น, งนอนนอนเอานเนี้แก่สัวแกเหมือนขยะัะไม่มีคุณค่าคือพอไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยรู้สึกตัวไม่มีคุณค่า แต่พอได้ไปเป็ น, ป น, ปนจิตอาสานะให้กับมูลนิธิเฉือจีนเนี่ยแกรสกกำ ม, มีชิตชีวาตลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาแกจึงเรียกตัวเองเป็นขยะคืนชีพแกไม่เพียงแต่ทําให้ขยะในมือแกเนี่ยนะมันมีคุณค่าขึ้นมาใหม่นะเพรารีไซคเคิลนี่คือการทําให้ขยะเนี่ยกลับมามีประโยชน์ระหว่างที่แกทําให้ขยะเนี่ยมันกลับมามีคุณค่าขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ทําให้ ตัวแกเนี่ยซึ่งเป็นขยะมกอนเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าตัวอย่างเลยนะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ทำงานนะแม้จะสบายแม้จะมีกินมีใช้นะแต่ไม่มีความสุขไอ้การมีกินมีใช้นะมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะ มาเทียบเคียงหรือทดแทนความสุขทางใจและความสุขทางใจอย่างที่เกิดขึ้นได้ก็คือการที่ได้ทําสิ่งที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่ได้ทํางานนะแม้จะมีเงินเที่ยวเงินเสพดู ห, หนังฟังเพลงเนี่ยทำไปทําไปก็จะเบื่อรู้สึกเพล้ยคว้าม การทำงานก็สามารถจะให้ความสุขกับเราได้เพราะมันทําให้เรารู้สึกว่าชีามีคุณค่ามันทําให้เราได้เห็นว่าเรามีความสามารถมันทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตนเองความสุขยังมาได้จากหลายอย่างแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะ ถ้าเราต้องการทำงานจะมีความสุขนะเราต้องทำด้วยใจเวลาเราทำงานเนี่ยพวกเราทางานเนี่ยเราถ้าเราใช้แต่หัวสมองใช้แต่ความรู้ที่มีแล้วก็ใช้มือทำโน่นทำนี่จะเป็นมือทำบัญชีมือพิมพ์เด็ใช้มือประกอบเครื่องไม้เครื่องจักรแต่ ถ้าเราไม่ได้ใช้ใจมันยากจะมีความสุขนะทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทำด้วยหัวไม่ได้ทำด้วยมือเท่านั้นเราต้องทำด้วยใจด้วยนะถ้าอยากถ้าอยากจะมีความสุขนะอยากจะทํางานจะมีความสุขต้องทําด้วยใจผู้เจา้าจัดว่าเนี่ยทําทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจ ทำทั้งหลายในยที่หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งว่าจะเป็นความสุขความสาเร็จเนี่ยต้องอาศัยใจถ้าเราอยากทางานย่งมีความสุขนะความรู้ไม่พอทักษะความเชี่ยวชาญไม่พอนะต้องอาศัยใจเอาใจใส่ลงไปในงานเป็นต้นเนี่ยถึงจะมีความสุข ใจในที่นี้เนี่ยมีความหมายหลายอย่างเช่นมุมมองมุมมองหรือทัศนคติต่องงานนะถ้าเราวางใจถูวางใจเป็นเราจะมีความสุขในการทำงานแม้จะเหนื่อย มันมีเรื่องเล่าว่าชายสามคนเนี่ยทำงานใกล้ๆกันเป็นช่างต่ออิฐทำงานใกล้ๆเนี้ ย, ยนคนแรกเนี่ยทำงานไปก็ทำด้วยความเฉื่อยชานะเหมือนกระสังกระตายทำงานไปได้สักพักก็จะ ขอแวะไปสุบรีสุบรีก็สูบอย่างช้าๆมันก็จะอู้อู้งานสูบสร็ก็ค่อยเดินอย่างเชื่องช้าไปทํางานแล้วก่ออีกตละลกก็นเนี่ยเหมือนกับสังกตายคนที่สองเนี่ยก็กระตือรือร้นหน่อยขยายขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าทําไปก็ดูนาฬิกาไปเพราะว่าตอนนั้นมันเย็นละใกล้เวลาเริ่มงานสี่โมงละ คนที่สเนี่ยกระฉระเฉงทํางา น, นโอ้ยเงินนี่เต็มหลังเลยนะว่าแต่มีความกระตือรือร้นมากไปถามคนแรกว่าคุณทําอะไรก็ตอบผมกําลังก่ออิฐถามคนที่สองทำอะไรผมกําลังก่อกําแพงถามคนที่สามกำลังทำอะไรเขาบอกผมกำลังสร้างวัดครับสามคนทํางานเหมือนกันนะแต่คุ ณ, ณภาพของงานเนี่ยต่างกัน และความรู้สึกในขณะทำงานก็ต่างกันสองคนแรกนี่ก็ทำแบบเรียกว่าไม่ค่อยมีความสุขนะทั้งสองคนต่างจะรอว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกงานสักทีแต่คนที่สามเนี่ยไม่ได้สนใจเวลาแล้วก็เหนื่อย แต่เขามีความสุขเพราะว่าเขามองเห็นคุณค่าของงานที่เขาทำ <c oughs> ว่างานที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่ก่ออีกกบบกาแพงแต่มันเป็นการสร้างวัดและการสร้างวัดเนี่ยสาหรับเขาเนี่ยมันเถอเป็นการเป็นงานบุญเป็นการช่วยสื่อต่อศาสนาเขาเสืิลเขามีส่วนในการช่วยอุปถัมภ์ศาสนาเขามองไกล เขาไม่ได้มองแค่สร้างก่ออิด ก, ก่อกำแพงเขามองไกลไปถึงสร้างวัดเห็นโบสถ์อยู่ในจินตนาการถามว่าใครทํา ง, งานจะมีความสุขเราคงจะตอบได้นะคนที่สารในทํางงานมีความสุขแต่เขาเหนื่อยแม้ว่าเขาจะเหนื่อยเพราะเขาเห็นคุณค่าของงานที่เขาทำเขาเห็นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้น ก็เป็นประโยชน์ที่มันไกลกว่าที่เห็นด้วยตาเนี่ยคือความหมายว่าทํางานด้วยใจเรือง น, นี้ความหมายขึงการทํางานด้วยใจคือการที่รู้ว่าทําเพื่ออะไรไม่ใช่ทําเพื่อเงินเดือนเพื่อค่าจา้างจะเห็นประโยชน์ของงานที่ตัวเองทำมันไกลเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าเรามองไปแค่ว่าทํา เพื่อมีเงินใช้นะเราก็จะมีความสุขเฉพาะวันเงินเดือนออกไอ้ส0สิบวันที่เหลือหรือย4ี่วันที่เหลือแล้วก็ทำแบบสังกตายหรือว่าอาจจะทำด้วยความข ย, ยันแต่ว่ารู้สึกว่าเครียดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราหมอเออเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีส่วนช่วย เหลือประเทศชาตินะเราสิ่งที่เราทาเนี่ยเป็นการช่วยทําให้คนเนี่ยนะมีอาหารเป็นการผลิตอาหารเพื่อรล่อเพื่อเลี้ยงคนเราก็จะเกิดความรู้สึกว่างานที่เราทามีคุณค่าคุณค่าของงานเนี่ยมไม่ได้อยู่ที่เงินเดือน คุณค่าของงานเนี่ยไม่ได้ที่ว่าเป็นงานอะไรอันนี้ในเครื่องหมายคำพูดว่าในเครื่องหมายในวงเล็บ ว, ว่าขึ้นชว่าต้องเป็นงานสามมาชีวะนะหลายคนเนี่ยทางานไม่มีความสุขเพราะไม่เห็นคุณค่าของงานที่ตัวเองทําคิดว่าถ้าตัวเองได้เป็นผู้จัดการได้เป็นหัวหน้ามีรับประจําตําแหน่งเราถึงจะ มีความสุขเราถึงจะมีคุณค่าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคุณค่าของงานเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามองงานนั้นอย่างไรแม้จะเป็นงานที่ดูเหมือนต่ำต้อยนะแต่ถ้าเรามองเป็น งานน่นจะมีความหมายขึ้นมามีหมอคุนึ่งก็เล่าว่าเคยช่วงหนึ่งเนี่ยออกจากราชการไปทํางานในบริษัทของพ่อบริษัทคุณพ่อนี่ก็เป็นบริษัทใหญ่นะมีคนทํางานเป็นร้อยทุกวันเนี่ยจะมีรถเข้าออกนีหลายร้อยคัน หมอสังเกตนว่ามีพนักงานคนหนึ่งนะดูแลรถเข้าออกหมอเนี่ยเห็นคุณลุงคนนี้นะมาตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่ตัวแกยังเล็กจนกระทั่งหกสิบกว่าแล้วก็ยังทำงานแต่ก็สังเกตว่าแกทำงานอย่างกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา แปลกใจก็เลยวันนึ่งก็ไปคุยกับคุณลุงันนี้ว่าลุงทำ ง, งานมากี่ปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ทา ง, งานเนี่ยที่คุมรถเข้าอ่อนเนี่ยแกบ อ, อกสิกว่าปีแล้วนะสิกบกว่าปีเนี่ยลองนึกดูนะคนทำ ง, งานไม่มีอะไรมากนอกจากนอกจากโบกโบกมือให้รถเข้าแล้วก็ยกมือห้ามรถห้ามรถอ่าห้ามรถเข้า หอก็เลยถามว่าแล้วลุงไม่เบื่อเหรอทํางานตรงนี้มาเนี่ยสิกว่าปีแล้วแกบอกอคุณหมอมจะเบื่ออะไรไม่เบื่อหรอกนะคุณหมอลองคิดดูสิผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาผมยกมือห้ามเนี่ยรถทุกคันก็ต้องหยุดต่อเมื่อผมโบกให้มาเนี่ยรถถึงจะเข้ามาได้รถทุกคันต้องเชื่อผมแม้กระทั่งรถของคุณพ่อเนี่ยคือผู้เจ้าผู้เจ้าของเนี่ย ผมบอกให้หยุดก็ต้องหยุดผมเรียกให้เข้ามาตงนี้เข้ามาได้นะการสื่อสิรสิ่งที่กระทำมีความหมายแกเป็นคนสําคัญตรงจุดนั้นเนี่ยสําคัญขนาดที่ว่าผู้จัด ก, การฟองเชื่อแกเจ้าของเงินเชื่อแกต้องฟังคําสั่งของแกนะบอกให้หยุดก็ต้องหยุดกวาดมืองนี้เข้ามาได้แค่นี้แกก็มีความสุขแล้วเพราะแกมองเป็นไงนะว่า แต่ถ้ามองเป็นนะเรากลียคิดโอ้เงินเดือนน้อยอยู่มาเป็นสี่สิบปีตำแหน่งนี้ก็สิบกว่าปีแล้วเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่เขาไปไกลแล้วเนี่ยเขาได้เงินเดือนเยอะเราคิดแบบเนี้ทุกแต่ถ้ามองเป็นนะโอ้เราก็จะเห็นว่างานที่ตัวเองทำมีคุณค่ามีคุณค่าตรงที่ว่ามันมั น, ม, นมันช่วยทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่เรียกว่าทํางานด้วยใจเนี่ยการทํางานเนี่ยมันจะใช้มือ จะใช้หัวอันน้ไม่พอนะมันต้องใช้ใจหรือว่ามีมุมมองที่ถูกวางใจเป็นการทำงานเนี่ยนอกจากอาศัยมุมมองที่ว่ามาแล้วว่ามองเห็นจนกระทั่งว่างานเติมคุณค่า การวางใจอย่างหนึ่งที่สําคัญนะก็คือการรู้จักวางใจให้อยู่กับปัจจุบันเวลาทํางานเนี่ยส่วนใหญ่เครียด น, นะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกส่วนใหญ่เพราะใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตก็คือเอาแต่นึกว่าเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไหรจะเสร็จนะเมื่อไหรมันจะถึงเวลาห้าโมงเย็นสักทีเมื่อไรมันจะสิ้นเดือนสักที เมือ่อไรจะสิ้นปีสักทีไอการที่แบบนี้มันทำให้เครียดทำให้ทุกข์หรือบางทีก็คิดว่าโอ้โหงานรออะไรต้องเยอะไองานนี่ยังไม่เสร็จเลยยังมีงานต้องสิบอย่างรออยู่พอคุณคิดแค่นี้คุณคุณท้อเลยคุณเครียดเลยแต่สมมติว่าคุณเนี่ยลองลองลืมไองานที่ยังคาอยู่ อย่าพไปสนใจมันมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ช่างมันวางมันเอาไว้ก่อนสนใจอยู่กับงานที่ทำคุณจะพบว่าความเครียดเนี่ยน้อยลงใจคุณจะมีสมาธิมากขึ้นมันมีนักปีงเขาคนหนึ่งนะเก่งมากนะชื่อ Bruce Kirby. บรูสคอร์ี่ปีนเขาสูงที่สุดในโลก มาทุกทวีปละลมทังเอเวอเรสต์ด้วยประสบการณ์การปีนเขา 10-20 ปีของแกนเนี่ยแกสรุปมาง่ายๆอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งคือว่าทุกอย่างมากักน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลเวลาแกปีนเขาเนี่ยถ้าแกมองไปที่ยอดโหมันเจ้าซูมมันไกลามากเลยแต่ถ้าเกิดว่าแกเข้าไปใกล้ไปเรื่อยๆเ้ไปเรื่อยๆ เ, อยเจ้าซู่มันไม่ค่อยน่ากลัว ข้อที่สองเนี่ยจะพูดว่าเคล็ดลับการปีนเขานะก็คืออย่าไปสนใจยอดเขาหรือจุดหมายปลายทางให้ใส่ใจกับพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวเดินไปทีละก้าวถ้าคุณเดินไม่หยุดนะถึงหน้าง่ายไหมอย่าไปสนใจยอดเขาแต่สนใจพื้นดินใต้ฝ่าแล้วก็เดินไปอันเนี้ย มันเป็นแค่ล้ำในการทํางานนะก็คือว่างานมันจะใหญ่งานมันจะเยอะอยังไงคุณอย่าเพิ่งไปสนใจจุดหมายปลายทางคุณสนใจงานที่คุณกำลังทําข้างหน้านะแล้วทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆอันนี้เรียก ว, ว่าวางจุดหมายปลายทางเอาไว้เพราะมันเป็นเรื่องอนาคตนึกไปก็ท้อปเปล่าๆเพราะมันไกล แต่คุณมาสนใจอยู่กับปัจจุบันงานเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ตอนเช้าวันจันทร์เนี่ยคุณก็สนใจช่องงานตอนเช้าวันจันทร์ส่วนบ่ายวันจันทร์มีอะไรเนี่ยเอาวางเอาไว้ก่อนงานวันศุกร์มีอะไรบ้างวางเอาไว้ก่อน แล้วคุณจะพบว่าอะไรที่มันหนักอกตักใจเนี่ยมันจะหายไปอันนี้เหมือนกับเวลาเตรียมต้องอ่านหนังสือสอนนะมีประมาณสิบวิชาต้องอ่านหนังสือประมาณสามสิบเล่มถ้าคุณแค่คิดเนี่ยคุณก็ท้อแล้วโอ้โหต้องสาสิบเล่มแต่ถ้าคุณสนใจเพียงว่าเออนะสามสิบเล่มเนี่ยนะเ ร, นเราอ่านว่าเราอ่านว่าละเล่มสัปดานึ่งเดินก็ครบสามสิบเล่ม ระหว่างที่วันที่หนึ่งเราอ่านเล่มที่1เราลืมอีก29เล่ม น, นะคุณเจ้าซื้อว่ามันสบายมันมันผ่อนคลายพอถึงวันที่2งคุณก็สนใจเล่มที่สองอีก28เล่มก็ยิ่งเพิ่มไสนใจนี่เป็นเป็นวิธีการเดียวกับที่บูสเคิร์บี้เนี่ยเขาสามารถจะปีนเขาที่สูงจนสำเร็จนะก็คืออยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจอนาคตนะสนใจแต่ว่าให้ทำเสร็จก่อนปัจจุบันแล้วค่อยต่อนี่เลยว่าให้รู้จักวางใจอยู่กับปัจจุบันจะทำก็ได้ต้องมีสตินะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีสติเนี่ยใจคุณจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จใจมันไปแนละ้ว ปลายใจมันไปข้างหน้าแล้วตัวอยู่นะี่แต่ใจไปข้างหน้าแล้วนะคุณบายเย็นค่ะเย็นนี้คุณมีประชุมคุณต้องไปพิเศษงานนะแต่ถ้าตัวคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณไปคิดถึงจะต้องไปพิเศษงานตอนตอนเย็นนะคุณก็เครียด น, นะแต่ถ้าคุณวางมาลงซะ เวลาคุณฟังธรรยายมาคุณจะฟังด้วยใจที่เปิดกว้างใจที่สนใจที่ใหม่ใจที่ไม่ล้าไม่ไม่เครียดข้อสองคือว่าอย่าไปสนใจคนอื่นอย่าไปสนใจคนอื่นความทุกในการทำงานเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ไปมองคนอื่นเขาทำงานน้อยกว่าเราเขากินแรงเรา นะหรือว่าเขาไปเที่ยวแล้วเรายังต้องมานั่งทำงานเราต้องอยู่เวรนะ ค, คุณที่แบบนี้คุณเครียดเลยทั้งที่ไองานที่ทำยังไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ว่ามันเหนื่อยใจเวลาทำงานนะคุณเลือกได้สองอย่างหนึ่งเหนื่อยกายอย่างเดียว เอาหนึ่เห น, นื่อยอย่างเดียวสองเหนื่นอยสองอย่างระหว่างเหนื่อยอย่างเดียวกับเหนื่อยสองเหนื่อยอย่างคุณจะเลือกอะไรนะเดี่ยเดียวใช่ไหมเดื่ยงเดียวคือเหนื่อยกายแต่หลายคนเนี่ยเลือกสองอย่างเลือกเหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยใจด้วยถ้าวางใจเป็นด้านเหนื่อยอย่างเดียวถ้าวางใจไม่เป็นเหนื่อยสองอย่าง มมีเด็กคนหนึ่งนะอายุ13ผู้หญิงถูกชวนไปร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ของสารคดีรายการหนึ่งของ PBS นะเรี่ว่าพลเมืองเด็กอันนี้อันนี้เมื่อ5ปีก่อนนะตอนนี้รายการนี้เขาเลิกไปแล้วเป็นรายการที่ดึงเอาเด็กเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกัน แล้วเขาก็จะดูว่าเด็กเด็กาแก้ปัญหาอย่างไรในกรณีเด็กคนเนี้13ขวบเนี่ยก็มีเพื่อนชายอีกสองคนมาร่วมรายการด้วยภารกิจที่ให้ทำก็คือผนของขึ้นรถไฟรถไฟมีเวลาออที่แน่นอนเพราะต้องรีบขนบังเอิญบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอเนี่ยชครู้จักสมจิตไหม เาชคดีที่เรโอลิมปิกหลายคนอาจจะนึกไม่ออกแล้วนะทำไปหลายปีแล้มีการถ่ายทอดสดบอกว่าเด็กสองคนเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็ร้อยไปดูโทรทัศน์ก็ทิ้งให้เพื่อนเนี่ยขนของแต่เด็กคนนี้แกก็ขนนะด้วยความขยันพิธีกรเลยไปถามว่าคิดยังไงที่เพื่อนเขา หนีไปดูสมจิตชกเด็กผู้หญงนี้ก็บอกว่าก็เห็นเห็นใจเขาเพราะเขาเป็นแฟนสมจิตนานๆจะได้ดูสมจิตขึ้นชคไอ้หนูไม่สนใจมวยนะหนูก็เลยผลของทำงานกันหนูไปพิธิกรก็ยังไม่พอใจคํำตอบก็เลยถามแย่ว่าแล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าวไม่คิดจะว่าเขาเหรอที่เขาทิ้งงานให้หนูทำํำคนเดียวเดี็กก็ตอบดีเดี็กก็อตอบวา่าหนูคนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียว แต่ถ้าหนูไปว่าเปโกรธเขาหนูก็เหนื่อยสองอย่างเป็นเานี้เราจะเหนื่อยกี่อย่างนะเหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายเหนื่อยใจใช่เหนื่อยกายเนี่ยเพราะขนของเ<ะ>คร <employers> ืไฟแต่เหนื่อยใจเพราะอะไรเหนื่อยใจเพราะอะไรโกรธบ่นด่าว่าเพื่อนกินแรงเคยสังเกตไหมว่าเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราเหนื่อยกี่อย่าง เราเลือกได้นะว่าเราจะเหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายแต่หลายคนเนี่ยเลือกสองอย่างโดยไม่รู้ตัวนะคือเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยใจด้วยแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราอยากจะถ้าเรารักตัวเองนะเราก็ควรจะเลือกเหนื่อยอย่างเดียวก็คือเหนื่อยกายเวลาทำงานก็ทำไป ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นพอ่อไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันจะบ่นไม่ได้ที่จะบนนะที่จะว่าที่จะหมุนหินเขานะใครเขาจะใครเขาจะเฉยแชะเฉยชานะหรือว่าทิ้งงานไปก็เป็นเรื่องของเขานะแต่เราทําของเราไปอันนี้เราว่าอยู่กับปัจจุบันนะ อยู่กับปัจจุบันคือการที่วางเรื่องอน า, นาคตไว้ก่อนวางจุดหมายปลายทางวางผลสำเร็จไว้ก่อนกับการที่เราไม่ไปสนใจคนอื่นเขาแล้วถ้าคุณทำแค่สองอย่างนี้คุณจะพบว่าการทำงานเนี่ยมันทุกน้อยลงเครียดน้อยลงและจะมีความสุขได้ง่ายขึ้น การที่าตมาแนะนำให้ใจอยู่กับปัจจุบันนะวางเรื่องอนาคตวางจุดหมายปลายทางวางงานการต่างๆที่ยังรอข้างรอสางค้างคางอยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเนี่ยเรียกว่าเป็นการทำงานด้วยใจปล่อยวางนะปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้เนี่ย ก็คือปล่อยวางที่ใจแต่ว่ามือทำอยู่นะตัวยังทำอยู่มันก็เด็กคนเนี้ยเด็กคนที่ว่าเนี่ยตัวก็ยังคุยของเพื่อนรกไฟแต่ใจเนี่ยวางวางเรื่องเพื่อนสองคนนะทำงานด้วยใจปล่อยวางที่ทำได้นะตัวอย่างที่ยตมาเล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนปล่อยวางในที่นี้เนี้ยไม่ได้แปลว่าปล่อยปลยแล้วเลย ปล่อยล้เลยคือไม่ทํางานแต่ว่าปล่อยวางคือทําใจทําใจเนี่ยวางวางอนาคตแล้วก็ลมวางอาดีต ด, ด้วยอดีตเนี่ยเคยล้มเหลวยังไงไม่สําเร็จยังไงก็วางเอาไว้ก่อนทํางานด้วยใจที่ปล่อยวางถ้าคุณปล่อยวางเป็นนะ สิ่งที่เรียกว่าทำเต็มที่และไม่ซีเรียสเนี่ยก็จะไม่ยากทำเต็มที่คือว่าทำนะตัวนี้ทำด้วยความเขียนในมันเพียรส่วนใจเนี่ยปล่อยวางจะสำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตแต่ฉันขอทำให้ดีที่สุดในขณะนี้และถ้าเราปล่อยวางนะใจมันก็จะไม่เครียด ทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเนี่ยความหมายหนึ่งคือ น, นี้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยตรงข้ามนะซีเรียสแต่ไม่ทําเต็มที่เพพอซีเรียสแล้วเนี่ยมันเครียดเนี่ยมันก็ท้อนะมันก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงนใจที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะมันช่วยทําให้งานยากๆเนี่ยสําเร็จ งานได้ผลคนก็เป็นสุขอันนี้มันเป็นศิละปะในการดำเนินชีวิตด้วยเวลาคุณทำงานนะใจคุณอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่งานในที่ทำงานอย่างเดียวเวลาคุณเดินทางจะไปเชียงใหม่จะไปภูเก็ตขับรถไปใช้เวลาเป็นสิบสิบชั่วโมง ถ้าคุณคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนั่นคุณเครียดเลยแต่ถ้าคุณรู้จักอยู่กับปัจจุบันหันมาสนใจสักทันียภาพสองข้างทางไม่สนใจว่าเมื่อไหร่จะถึงให้นึกในใจว่าถึงก็ต้องมองก็ต่อเมื่อมันถึงคุณจะมีความสุขการเดินทาง ทำอะไรที่เสี่ยมยากมันจะยากให้ไหนอยู่กับปัจจุบันก็จะลุล่วงได้ดีเมื่อเร็วๆนี้นะมันมีหนังเรื่องหนึ่งนะไม่รู้คนเราได้ดูหรือเปล่าแต่เาไม่ได้ดูนะแต่เขาว่าเข้ามาฉายที่เมืองไทยแล้วก็ออกไปแล้วเป็นชื่อเรื่องชื่อเรื่องภาษาอังกฤัว่ The Walk The Walk Walk แปลว่าเดินเป็นเรื่องของ นักกยกรรมชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อ50ปีที่แล้ว45ปีที่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเดินบนเส้นลวดที่ขึงระหว่างตึก World Trade ยอดตึก World Trade ซึ่งเป็นตึกแฝดตึก World Trade Center เนี่ยในนิวยอร์กที่มันพังลงมาตอนส1กันยาจได้ไม ตอนที่มันเริ่มสร้างใหม่เนี่ยตอนที่เริ่มสร้างขมื่อแรกปีพันเกเ็ดิบนี่ยคือสองพสิบสามเนี่ยหลายลคนยังไม่เกิดเนี่ยนายฟ e ิลิปเปอร์ตีเนี่ยแกมีความฝันว่าแกอยากจะขึ้นไปเดินบนลวดที่ขึงระหว่างยอดตึกสองยอดสองตึกเนี่ยแล้วเมื่อตึกใกล้จะเสร็จเนี่ยแกก็แอบเข้าไปในตึกตอนกลางคืนแล้วลตอนเช้า แกก็ขึงเชือกซึ่งทำด้วยลวดสลิงเนี่ยให้มันตึงไปเป็นทีมนะแล้วแกก็เริ่มเดินบนบนลวดสลิงเนี่ยอันเนี้ยเป็นที่มาของหนังชื่อ The Walk นะแล้วแกเดินเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรช่วยเลยนะยกเว้นไม้เนี่ยประมาณ ประมาณสูงสังหกหเมตรคอยถือไว้เพื่อทำให้เกิดสมดุลแล้วก็เดินที่ใายบนรวดเนี่ยซึ่งสูงจากพื้นประมาณ400รเมตรตอนที่แกเริ่มเดินเนี่ยคนข้างล่างนี่เห็นไปเรียกตำรวจตำรวจก็มารอจับอยู่ข้างหน้าอยู่ที่ปลายเชือกแต่แกก็ไม่สะทกสะทานนะแกะก็เดินแกไบนะเดินไปถึงปลาย เชื่อแล้วก็เดินกลับมาพอถึงตำรวจตำรวจจะจับแกก็กระโดดทับหลังแล้วก็เดินต่อแกทำานี้ประมาณเจ็ดเที่ยวสี่สิบห้านาทีจนกทัานแกเบื่อและแกก็เลยให้ตำรวจจับในหนังเนี่ยช้างที่เป็น้างที่ดีมากจากรูปที่จะมาดูนะเพราะว่าบางช่วงกะเดินเสร็จแกก็จะแกไม่เดินเปล่าๆแกก็จะ ย่อเข่าคล้ายๆเขาคารวะคนยุยยอร์กที่อยู่ข้างล่างบางทีแกก็เอนตัวนอนอยู่บนเชือกเนี่ยนอนอยู่บนรถสลิงเนี่ยนะแล้วฉากเนี่ยมันจะเป็นฉากที่เรียกว่าหน้าเสียวไส้ามากเลยนะเราก็ถ่ายจากข้างบนนะไอ้ดูโหท่านเปนไงถ้าเป็นสามิตินี่หลายคนที่ดูนี่คงจะเสียวซ่าเนะโหมันก็ตัวเนี่ยอยู่บนที่สู ง, งจริงๆพวกที่กลัวความต่ำนี่ต้องเราว่า ไอ้ความสูงไอ้ความต่ำเขาถูกตำรวจจับเมื่อนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าคุณทำได้ยังไงเวลาเวละทำแบบคุณคิดอะไรอยู่ตอนที่คุณเดินเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่เขาบอกตอนที่เขาเดินเนี่ยเขาไม ure, ่ได้สนใจไอ้จุดหมายตรงยอดตึกข้างหน้าเลยนะเขาสนใจเพียงแค่ว่าให้เท้าซ้ายมันอยู่หน้าเท้าขวา แล้วขยับเท้าขวาให้มันอยู่หน้าเท้าซ้ายแค่นี้ก็ทำสำเร็จแล้วอันนี้เป็นเป็นวิธีคิดแบบเดียวกับบรูซเคิร์บี้เลยนะสนใจนะพื้นนิ่ใต้ฝ่าเท้าก็คือการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองแต่การอยู่กับปัจจุบันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ไม่วางแผนนะทั้งบรูซเคิร์บี้ทั้งฟิลิปเปอร์ตีนียวางแผนทั้นแหละ แต่เมื่อวางแผนเสร็จเมื่อเริ่มจะลงมือนะ mm. ก็อยู่กับปัจจุบัน mm. ก็เหมือนกับคุณทํางานเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนนะว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคุณจะทําอะไรบ้าง mm. คุณเรียนหนังสือคุณจะสอบคุณจะสอนคุณก็ต้องวางแผนว่าในเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยนะ mm. คุณจะวางแผนอ่านหนังสือให้ครบได้อย่างไรในเวลาที่มีอยู่อ่านทุกอ่านวันละเล่มอ่านสองวันเล่ม นี่บอคุณวางแผนเซนเนี่ยคุณก็พอคุณลงมือทำเนี่ยคุณก็สนใจแต่ปัจจุบันอันเนี้ยมันเป็นวิธีที่ทำให้การทำงานเนี่ยนะมันก่อให้เกิดความเครียดความทุกข์น้อยลงมันดูเหมือนแปลกนะ เทศธมาบอกว่าเวลาทำงานเนี่ยให้วางเรื่องจุดหมายให้วางเรื่องความสาเร็จเอาไว้ก่อนนะแต่ว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะทำงานได้ด้วยใจที่โปรป่งเบาสมัยเทศตรรมาไปปฏิบัติธรรมกับหลงพ่อเทียนนะบนใหม่ๆเนี่ยได้แค่สมงสาเดือนเนี่ยหลวงพ่อเทียน จิตสุขโพท่านบอกจะมาวันแรกๆเลยว่าทำเล่นๆแต่ทำจริงๆเข้าใจไหมทำเล่นๆหมายความว่าเวลาเจริญสติเนี่ยนะมันจะฟุ้งบางมระช่างมันอย่าไปคาดหวังผลอย่าไปคาดหวังความสงบเหมือนกับเวลาเราเราเรา เราเล่นบอลถ้าเราทําเล่นเล่นไงถูกยิงแพ้ถูกยิงแพ้เราก็ไม่เป็นไรถ้าเราทําเล่นเล่นเนี่ยเราเล่นหมาคสเล่นเล่นเราเราเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลเล่นเล่นเนี่ยแพ้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังสนุกกับการเล่นแต่ทําจริงๆที่หลวงพ่าเทียนบอกคือว่าทําทุกวันทําตั้งแต่เช้าจนเย็นทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆ<ะ>มันก็ความหมายเดียวกับว่าทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสคือว่ามันจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่ทุกนะแล้วก็ยังไม่สนใจมันด้วยให้ทำเต็มที่เมื่อเราวนี้ดูการแข่งดูข้อสัมภาษณ์นะนักกีฬาเตะกอนโด ของไทยนะอันนี้แกนักกีฬาคุณก็พูดนะซึ่งอัตมาเชื่อว่าเป็นเป็นหลักเลยนะในการในการเป็นครอเป็นแง่คิดของนักกีฬาเรียกว่าทุกวงการเลยก็ได้คือว่าให้ซ้อมให้เต็มที่นะซ้อมให้หนักแล้วเวลาเล่นเนี่ย เวลาลงสนามเนี่ยนะเขาบอกว่าซ้อมให้หนักแล้วก็คิดด้วยใจว่าซ้อมเหมือนกับเล่นซ้อมเหมือนกับลงสนามซ้อมเหมือนกับกำลังแข่งนะแต่เวลาลงแข่งนะให้แข่งเหมือนกำลังมือนกับว่ากาลังซอ้อมเข้าใจไเวลาซ้อมเนี่ยนะซ้อมให้ให้เต็มที่เหมือนกับว่ากำลังแข่ง ซ้อมเหมือนกาลังแข่งและแข่งเหมือนกับลังซ้อมแปลว่าที่ซ้อมเนี่ยให้ทำเต็มที่นะเหมือนกับกําลังแข่งแล้วเวลาแข่งเนี่ยให้นึกว่าให้ให้แข่งเหมือนว่ากําลังซ้อมก็คือแข่งด้วยใจที่สบายเพราะเวลาซ้อมเนี่ยนะเราจะค่อนข้างจะสบายๆนะซ้อมเหมือนแข่งและแข่งเหมือนซ้อมนะอันนี้เรื่องเดียวกันเลยถ้าทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะเวลาแข่งเนี่ยนะ แข่งบนซ้อมคือว่าแข่งทำเต็มที่แต่ว่าใจในสบายๆใจไม่เครียดนะอันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับที่สำคัญนะแล้วจะเกิดว่าคุณทำใจนี้ได้นะคนสำเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยมันจะไม่ทำให้คุณเนี่ยวันไว มันมีคุณป้าคนหนึ่งนะชาวเกาหลีจะเป็นแม่ค้าขายผักแต่ก่อนเนี่ยก็มีคนงานเนี่ยช่วยไปส่งผักให้แกแต่ต่อหลังลาออกแกก็ต้องขับรถไปส่งผักคนเดียวปัญหาคือแกไม่มีแบบไม่มีใบขับขี่แกเลยต้องไปสอนใบขับขี่ แกสอบภาคปฏิบัติเนี่ยไม่มีปัญหาทั้งเดียวแกก็สอบได้แล้วแต่แกมีปัญหาภาคภาคทฤษฎีภาคข้อเขียนมีห้าสิบข้อแกไม่เคยตอบได้ครบสามสิบข้อเลยถ้าได้สามสิบหรือมากกว่านั้นแกก็ได้แกก็สอบอยู่นั่นแหละตอนที่ทำมาที่ข่าวของแกเนี่ยประมาณกลุณาห้าสองเนี่ย แกสอบไปแล้วเจ็ดร้อยดิบห้าครั้งใบ ข, ขับขีนะสอบถ้าจะวันวันนิดวันเลยใช้เวลาสี่ปียังสอบไม่ได้มาได้ขาทีตอนพฤศติกาห้าสองเนี่ยกปีที่แล้วเนี่ยแกสอบได้หลังจากที่สอบไปเก้าร้อยห้าสิบครั้งโอ้โหขยันมากนะเพียรมากเลยคนเกาหลีแบบนี้เยอะนะขยัน ไม่ยอท้อเลยถามว่าแกทําได้อย่างไรอาตมาเชื่อว่านอกจากทางแกทําด้วยความขยันแล้วเนี่ยแกต้องมีใจที่ปล่อยวางในระดับหนึ่งเพราะถ้าแกคาดหวังมากนะคาดหวังในผลมากเนี่ยแกสอบสิบครั้งไม่ได้แกก็เลิกแล้วใช่ไหมยิ่งคาดหวังมากแล้วยิ่งผิดหวังเนี่ยนะมันยิ่งแรงยิ่งคาดหวังแล้วไม่ได้อย่างที่หวงังจะผิดหวังแรง แต่แกตอนที่แกขยันเนี่ยนะแต่ว่าแกใจในแกไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับกับความสำเร็จมากเพราะฉะนั้นแม่กะสอบไม่ได้แกก็ไม่ท้อมากแกก็สอบใหม่สอบใหม่สอบให ม, ห ม, หม่จนได้อันนี้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงของพุทธเป้านี่ทำให้รู้เลยนะว่าทำไมเกาหลีถึงสำเร็จทำไมเกาหลีถึงสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้นะเดี๋ยวนี้ใคยๆก็ใช้ แลิตภัณฑ์ของเกาหลีทั้งใช่ไหมฮะซัมซุงโซนี่ไม่ใช่กันแล้วใช่ไหมโซนี่ Sony. เพราะมีคนแบบนี้เต็มบ้านเต็มเมืองขยันแต่ว่าไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับผลสำเร็จฟังดูเหมือนขัดแย้งกันนะไม่ยึดมั่นถือมัน่นทำไงถึงสอบได้ทำไมต้องสอบเกือบพันครั้งใช่ไ แต่ถ้ายึดมั่นถึงมนมากเนี่ยสอบสิบครั้งไม่ได้ก็เลิกต้องเลิกแล้วเพราะมันทอ้อนะฟังเรื่องราวของคุณป้าเกาหลีท่านแมตมานึกถึงพระมาชนกนะรักพระมาชนกไนะพระมาชนกเนี่ยก็เป็นเป็นพระโพธิศัตว์ก่อนที่จะตัดสินใจผู้เจ้าของปัจจุบันนะเรื่องราวของพระมาชนกเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ย ที่คนรู้จักกันดีคือตอนที่เรือแตกเรือเดินสมุทรแตกพ่อมาชนกเนี่ยอยู่ในเรือก็ลอยคอยอยู่กลางทะเลมีไม้แค่แผ่นเดียวเกาะเอาไว้ก็วายหวาข้อหาฝัง่งแต่ไม่เห็นฝัง่งก็ไหว้นั่นแหละไหว้ทั้งวันผ่านไปแล้วหนึ่งวันไม่เห็นฝั่งก็ยังไหว้วันที่สองก็ยังไหว้วันที่สามก็ยังไหว้ ไหว้เจ็ดวันก็ยังไม่เห็นฝั่งแล้วก็ยังจะไหวยอยู่ร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกให้นาําดีแม่ขลาเนี่ยมาช่วยพระมาชนกพระมาชนกพระา น, นางบุตรีแม่ขลามาเห็นก็แปลกใจก่อนที่จะช่วยก็ถามพระมาชนกว่าท่านทําไปทําไมในเมื่อมองไม่เห็นฝั่ง พระมาชลก็อบอกว่าขา้าพเจ้าเห็นประโยชน์ของความเพียรแม้ไม่เห็นฟั่งก็จะไหว้านามนิเมฆราก็บอกว่าท่านทําไปทาไมในเมื่อมองมเห็นฟัง่งไหว้ไปก็ตายเปล่าพระมาชนก็อบอกว่าเมื่อทําความเพียรเต็มที่แม้ตายก็ไม่เถิดเป็นหนี้ใครเทวดาก็ติดเตียยไม่ได้พ่อแม่ก็ติดเตียยไม่ได้ พระมาชลก็พูดตอไปว่าเมื่อเห็นประยช์ของความเพียรแล้วเนี่ยนะและได้ลงมือทําแม้ไม่สําเร็จประโยชน์ก็ยังเกิดขึ้นกับตนนะคือเนี่ยพระมาชวลเป็นอย่างคนที่ทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสมือนกันคือทํานะั่พยายามทําแต่ว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องสําเร็จหรือไม่ แต่ขอให้ทำเต็มที่แล้วกันจิตใจเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับความสำเร็จว่าจะต้องได้ต้องได้ต้องไดนะ้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอทำหลายคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วแล้วแล้วพบ ว, ว่าทำแล้วแพ้ทำแล้วไม่สำเร็จก็เลิกทำเลยนะคนแบบนี้มีเยอะจะทำต่อเมื่อสาเร็จนะถ้าไม่สาเร็จไม่ทำ หรือถ้าหมอไม่เ็นทางสำเร็จก็ไม่ทำแต่ว่าจิตใจที่ดีคือว่าจิตใจที่ทำเต็มที่สำเร็จหรือไม่ไม่สำคัญนะขอให้ทำหลังจากที่คุยกันสนทนากันเนี่ยในสุดตามมีเวมขลาก็ช่วยประมาชนมไปส่งถึงฝั่งอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นตัวอย่างที่ใหญ่ให้เราลองเราลึกนึกถึงนะเวลาเราทำอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอ้ทำเต็มที่เนี่ยนะถ้าเราทำระวังใจถูกเราจะมีความสุขแม้ว่าจะโดนวิพากวิจาร เราก็สามเราก็ไม่ท้อนะตรงนี้ต้องอาศัยการมองแง่บวกหลายคนพอถูกวิพากษ์วิจาร์เนี่ยก็โกรธนะท้อแท้เสียกำลังใจแต่ถ้าเรามองให้เป็นนะเราจะเห็นประโยชน์ของคาวิพากษ์วิจาร์ มีเจ้าของเมืองโบราณนะเจ้าของเมืองโบราณนะชื่อคุณเล็กวิริยพันธ์เมืองโบราณพวกเรารู้จักใช่ไหมฮะรวยมากนะแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วอายุครบร้อยปีเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมาแกรวยนะแต่ว่าแกเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็อยู่เรียบง่ายเป็นคนที่สนใจธรรมะแกบอกว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคล คนส่วนใหญ่เนี่ยวันไหนถูกวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นวันสวยใช่ไหมแต่คุณเล็กเนี่ยแกบอกว่าวันไหนเมื่วันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภมงคลวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภมงคลผู้ใหญ่คือวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้แกเห็นได้รู้ว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองคําตําหนิเป็นการชี้ช่องให้เราได้เห็นข้อบกพร่องผู้เจ้าบอกว่าผู้ใดชี้โทษเราผู้นั้นคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ ผูนะ้ใดชี้โทษเราเนี่ยผู้นั้คือผู้ชี้กลุ่มทรัพย์ผู้ใดวิจารเราเนี่ยวิจารณงานของเราเนี่ยเขากําลังชี้กลุ่มทรัพย์ให้เราให้เห็นว่าจะแก้ไขปรับปรุงได้อย่างไรมีจุดอ่อนที่ตรงไหนนะถ้าเราเป็นคนที่รักงานนะเราจะขอบคุณคําวิจารณถ้าเราเอางานเป็นใหญ่ เราจะขอบคุณคนที่วิจาร์เราหรือคนที่วิจารงานของเราแต่ถ้าเราเอาหน้าตาเป็นใหญ่เมื่อไหระ่นะเราจะโกรธเขาวิธีที่จะไม่ไม่โกรธคนที่วิภา์วิจารงานเราคือเอางานเป็นใหญ่อย่าเอาหน้าตาเป็นใหญ่นะหรือไม่ก็เอาองค์กรเป็นใหญ่ ผ่ลัพธ์นี่ถ้าเอาองค์กรเป็นใหญ่เอาหน่วยงานเป็นใหญ่นะแม้จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเราก็ไม่ถือสาเพราะเราถือว่าทะเลาะ ก, กันเนี่ยมันก็จะเสียหายต่อนหน่วยงานนะเมื่อเกิดความขัดแย้งกันหน่วยงานก็ย่าแย่เมื่อเราคิดถึงถึงหน่วยงานเราก็อดกลั้นนะไม่ถือโทษโกรธเคืองเขานี่เป็นวิธีลดอัตราวิธีหนึ่งนะ การเอางานเป็นใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการลดอัตราก็คือว่าเขาจะวิจารณ์งานเราอย่างไงถ้าเราหน้าตาเป็นใหญ่นั้นเราโกรธแต่ถ้าเรางานเป็นใหญ่เราขอบคุณเขาที่ทําให้เห็นช่องทางแก้ไขอาตมาคิดว่าคนที่ทํางา น, นต้องมีมีจิตใจแบบนี้แล้วถ้าคุณมีจิตใจแบบนี้คุณจะทํางานอย่างมีความสุขแม้ว่างานจะล้มเหลวคุณก็ได้บทเรียนคุณก็ได้ความรู้ แล้วความรู้เหล่านี้มีประโยชน์คนเราเนี่ยเรียนรู้จากความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จนะคุณเชื่อไหมตอนที่เรายังเป็นทารกตอนที่เรายุคขวบสองขวบเนี่ยเราเดินไม่ได้แต่เราพยายามขัดเดินเราเดินได้ไม่กี่ก้าวเราก็ล้มตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราไม่เคยแม้เราจะล้ม แต่ไม่เคยล้มเลิกไม่เคยหยุดล้วก็จะลุกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ล้มอีกแล้วเราลุกขึ้นมาเดินสองสามก้าวแล้วเราก็ล้มอีกแต่ยิ่งล้มเท่าไหร่ยิ่งล้มเท่าไหร่เราก็รู้ว่าทำยังไงถึงจะไม่ล้มใช่ไหมฮะการที่เราเดินเป็นเนี่ยไม่ใช่เพราะพ่ อ, พ อ, พอแม่สอนนะสอนเท่าไหร่เนี่ยก็เดินไม่เป็นหรอกจนกว่าจะได้ลองเดิน ค็เมืขี่จักรยานนะขีจกยานเนี่ยใครสอนเท่าไหร่ก็สอนไม่ได้หรอกดนกว่าเราจะได้ลองทําและกว่าเราจะเป็นก็เพราะเราล้มแล้วล้มอีกนะเราถึงขี่จักรยานเป็นใช่ไ น, นความล้มเหลวในสอนเรามากกว่าความสาเร็จ น, นถ้าเรามองตรงนี้เราก็จะพบว่าเวลาทำงานล้มเหลวถ้าเราไม่คิดเรื่องหน้าตานะไม่คิดไม่คิดหน้าตาตัวเองนะ เราจะได้ความรู้คนเรานี่ถ้าเอาความรู้เป็นใหญ่นะความล่มเหลวเนี่ยเราจะไม่ไม่ไม่เกลียดเลยเราจะพบว่าความล่มเหลวเนี่ยเป็นครูสอนเราและทำให้เราฉลาดขึ้นแกร่งกล้าขึ้นการทำงานเนี่ยหลายคนมีความทุกข์เพราะว่า เรากลัวความล้มเหลวเรากลัวถูกวิจารณ์แต่ถ้าเรามองว่าความวิจารณ์ก็ดีความล้มเหลวก็ดีสอนเราเป็นครูเรานะเราจะไม่กลัวแล้วเราจะทาไงมีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางจิตวางใจนะที่สำคัญนะคนเราเนี่ย ไม่มีใครฉลาดมาก่อนนะเราต้องง่ก่อนเงนียฉลาดเราต้องผิดก่อนถึงจะถูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผิดแล้วเราเรียนรู้จากความผิดแล้วก็สามารถทําให้มันถูกถ้าเราล้มเหลวเราเรียนรู้จากความล้มเหลวเราก็จะสําเร็จได้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น เป็นเรื่องของการวางใจเรื่องการทำงานด้วยใจอย่างที่จะมาพูดตั้งแต่แรกว่าทำงานที่มีความสุขเนีย่ยคุณใช้หัวอย่างเดียวไม่พอคุณใช้มือที่เทียว ท, เทยวที่เชี่ยวชาญาำํำนาเไม่ะอไม่พ อ, ม, อมันต้องใช้ใจใช้หัวใจใจที่มีใจที่รักในงานใจที่อยู่กับปัจจุบัน ใจที่ใฝ่รู้พร้อมที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวพร้อมเรียนรู้จากความไม่คาดวิจารณ์เอาแล้วก็พอสมควรนะก็ไม่รู้ว่าที่พูดมานี้จะมีตรงไหนที่สงสัยไหมก็ขอเชิญักถามนะหรือจะถามเรื่องอื่นกไ็ได้นะแต่อย่าถามเรื่องปอนะไมแน่ค่อยดู ดูนาโเคื่อนไครับคำถามรูปรวมนะป้ายานเวลาเยอะนะเขีนใสาวเขียนเฉยได้ไหมยได้รรอขาวก่อนรับายนอยู่ในวงการของคนนะอยู่บุคคลแบบนี้คือการทำงานกับคนเหนบบังทีเราก็เหมือนป้ายานบอกว่า คือวามว่าอาจารย์รู้สึกว่ามันออกไปนี่แบบเย็นสงบนะบาคนเงียบทิกย์เนะทงานอย่างเดียวเลยไม่พูดน่้ไแต่วิธีเวลาเราทางานร่วมกับาคนเนี่ยเรต้องบอกว่าทาไมมันไม่ได้ลังใจหรือว่าเขาไม่เข้าใจที่เราสื่อสารไหมายคนก็จะหลุดหที่จะพูดอะไรออกไปบางอย่างที่ทาให้เขาหมดกงใจที่เขาใส่ใจมันเป็นคาพูดที่ที่ง่ายที่สุดการที่จะว่าทไม่เสร็จทไมช้าจังทำไมทไมนี้ ถ้อาอย่างเรานะถามพจาวว่ามันมีวิธีการด้วยคําพูดอะไรยังไงที่จะทําให้ออหรืให้เราไม่พูดดีที่สุดหรือว่าคําพูดที่มันจะทําให้เขามีอกาลังใจที่ใหญ่จะทํางานมากกว่าจะเป็นต่นนอไปเนี่ยคือคําว่าทําไมเนี่ยนะเราถ้าเราถ้าเราเอาแต่ถามว่าทาํ า, าทไมเขาไม่เข้าใจเราทําไมเขาไม่ขยันทําไมเขาไม่เข้าไม่ไม่ไม ไม่ใส่ใจเนี่ยถ้าเราถามแบบนี้เนี่ย <c oughs> คิดแบบนี่ในใจเนี่ยเราจะทุกข์มากแต่แทนที่เลยถามว่าทําไมเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยทําไมเราไม่เราไม่ถามมากกว่าแล้วทําไมเราต้องโกรธเวลาเขาไม่เข้าใจเราเ <c oughs> วลาเขาทําไม่ได้ดั่งใจเนี่ยแทนที่ถามว่าทําไมเขาทําไม่ได้อย่างนี้เราไม่ถามว่าทําไมเราต้องโกรธที่เขาทําไม่ได้อย่างนี้ ใช่ไหมเวลาถามว่าทนที่ถามวาไมเขาไม่เข้าใจเราเราถามว่าแล้วเราเข้าใจเขาหรือยังใช่ไหคือคาถามเนี่ยอย่าไปถามไปที่คนหนึ่งเดียวานต้องมาถามตัวเราด้วยใช่ไมทำไมรถติดวันอาทิตย์่ะรถติดทำไมเราไม่ถามตัองว่าเราทำไมเราต้องหมุดหีิด้วยที่รถติดนะ่ะใช่มเคยถามตัวเองมว่าทำไมต้องหมุดหีดิเวลามันมีคนส่งเสียงดัง เช่นมีเสียงโทรศัพท์ดังในห้องเนี่ยทำไมไม่ปิดโทรศัพท์ <c oughs> แล้วนายถามว่ายทําไมเราต้องหงุดหงิด <c oughs> เพราะเขาเมื่อเขาไม่ปิดโทรศัพท์ถามตัวเองบางสิยง่ยจาไปถามคนอื่นนะครับแล้วคุณจะพบว่าจริงๆเนี่ยความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะคุณวางใจไม่เป็นไม่ใช่เพราะคนอื่นมันมีเรื่องเล่านะ พระชาสุภโธเนี่ยนะท่านเป็นพระอีสานพระป่าวันหนึ่งเนี่ยในในหมู่บ้านเนี่ยมันมีมันมีงานศพแล้วก็ชาวบ้านก็จัดมหาสพทั้งวันและทั้งคืนนะหมอลำหนังกางแปลงแล้วก็ลำโพงนี่ก็เปิดเต็มที่ตีสามตีสี่ 3, ยังไม่เลิก พระนอนไม่หลับนะพระก็ไปบอกชกผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้ตีหนึ่งเนี่ยหยุดได้ไหมพ้าจะได้มีเวลานอนสักสองชั่วโมงก็ตีสามต้องทำวัดผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ยอมก็ไปพระในวัดก็เลยไปขอหลวงพ่อชาจเจ้าอาวาว่ า, วาให้ช่วยไปบอกผู้ใหญ่บ้านหน่อยไอ้ ให้รีเสียงนะตีหนึ่งให้รีเสียงหน่อยเพรว่าหลวงพ่อช้างะพูดไงรู้ไหมเขาบอกว่าเสียงไม่เสียงไม่ได้รบกวนพวกท่านพวกท่านอนะ่ะรบกวนเสียงต่างหากเข้าใจไหมพาธี่ตกพรานี่อึ้งเลยนะไม่คิดว่าท่านจะตอบแบบนี้เวลามีเสียงดังนะเสียงไม่รบกวนเรานะเรารบกวนเสียงคือเราไปทะเลาะเบาะแว้งกับเสียงเนี่ยเราเรา เราไปมีเราไปมีความชังมีความโกรธมีความไม่พอใจกับเสียงนั้นเสียงดังแต่ถ้าเราใจเป็นกลางเนี่ยทุกไหมเสียงดังถ้าเราไม่ไปทะเลาะเบาแวกกับเสียงนั้นเนี่ยเราไม่ทุกหรอกที่เราทุกเนี่ยเพราะเราไปเสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือความไม่ชอบเสียงนั้นความรู้สึกลบตอเสียงนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เพื่อนเราหรือลูกน้องเรานี่นะทำงานเนี่ยนะอาจจะไม่ดีนะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาตรงที่ว่าเราไปคาดหวังเราไปคาดหวังมากเกินไปแล้วเราไปยึดติกความคาดหวังนั้นคนเรานะถ้าไม่คาดหวังนะน เ, รนะงนะเราไม่ทุกข์หรอก แต่ที่เราทู่พราเราไปยึดติดกับความคาดหวงังไม่ใช่แค่มีความคาดหวังอย่างเดียวนะเป็นยึดกับมันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเราเนี่ยหันมามองใจเราตัใจของเราเนี่ยเราจะพะว่าไอ้ความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นที่ตัวเรามันไม่ใช่เป็นเพราะคนอื่นตบมือข้างเดียวไม่ดังใช่ไหยฮะ ตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือจะดังได้ต้องมีสองมือความทุกข์ใจเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือเสียงแดกหรือว่าคนร่วม ง, งานคนรักนะที่เขาทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราอันที่สองเกิดจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นไปคาดหวัง ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปโทษคนอื่นนะให้เรากลับมาดูใจของเรามันช่วยทำให้ใจเราสงบเราจะไม่โกรธเขาแต่เราจะพูดกับเขาดีๆแนะนาเขานะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยจะลืมกลับมาดูใจเราด้วยนะมารักษาใจเราเด็กอายุสิบสาคนนั้นเนี่ยแกเป็นเด็กที่ฉลาดเพราะว่า แกมันดูใจของตัวเองเล้วรับพรว่าเมื่อไรก็ตามที่ไปบกนไปด่าว่าเพื่อนเนี่ยตัวเองทุกตัวเองเหนื่อยและแกก็รู้ว่าคนฉลาดเนี่ยถ้าจะเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยอย่างเดียวนะไม่ใช่เหนื่อยสองอย่างเพราะฉะนั้นแกก็เลยไม่บกนไม่ด่าว่าเพื่อนนะจะลืมกลับมาดูใจจะพึ่งไปทั่วคนอย่างเดียวกลับมาดูใจของเรา ผมว่าชาตนะิเขาพูดเหมือนกันนะว่าเนี่ยเวลาเราล้วงมือเข้าไปในหลุมนะถ้าล้วงไม่ถึงก้นหลุมนะร้อยทั้งร้อยก็จะบอกว่าหลุมมันลึกไม่มีใครที่จะบอกว่าเป็นเพราะมือเราสั้นใช่ไหมเราโทษหลุมว่ามมันลึกไ ม, มก่ใช่มือสั้นนะแล้วก็ตามเนี่ยก็เอ่อ ความในเรื่องความสัมพันธ์กับผููคนนะอาตมาว่าสิ่งนึ่ที่ควรมีคือการมองในแง่บวกด้วยอย่ามองเห็นแต่แง่ลบของเขานะถ้าเราเห็นแต่ถ้าเราเห็นแต่แตง่ลบเนี่ยเราจะเราจะเครียดเราจะทุกข์แต่ถ้าเรามองเห็นแง่บวกนะเราก็จะโกรธเกลียดกันน้อยลงแง่บวกก็คือว่าเขามีข้อดีข้อเด่นอย่างไรบ้าง อันนี้เนี่ยมันใช้กับตัวตัวเองด้วยนะหลายคนเนี่ยมีข้อดีเยอะแต่มองไม่เห็นไปเห็นแต่ข้อเสียข้อเสียที่ว่าเนี่ยจะหมายถึงคุณสมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติบางอย่างที่อาจจะสู้คนอื่นไม่ได้นะแล้วก็เลยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะเห็ น, นข้อเสียว่าฉันทำอะไรก็ไม่ได้ฉันไม่เก่งจริงคนทุกคนเนี่ยมี มีข้อดีกันเยอะแยะแต่ว่ามองไม่เห็นเนี่ยไปสนใจไปเห็นแต่ข้อเสียหลายคนเนี่ยนะหน้าตาก็ดีนะแต่ว่าทุกรู้สึกไม่พอใจหน้าตาของตัวเองเพราะอะไรเพราะเห็นแต่สิวนะผิวแห้งผมแตกป ไอ้ตัวเองไม่มีดีมีดัเยอะแยะมีดีต้งเก้าสอย่างมีแค่เสียอย่างเดียวคือเป็นสิวบ้างสิวแห้งบ้างผมแตกปลายบ้างก็เห็นแต่ส่วนที่เสียนั่นแหละก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจเวลาไปคุยกับใครทั้งที่ผมตัวเองนี่ก็สวยตัวเองนี่ก็มีสัยดีความรู้ก็ดีนะแล้วก็มีหลายอย่างในชีวิตนะพระมีพ่อแม่ที่นรักนะแต่รู้สึกตัวเองไม่แั่ปัญหาคนเราส่วนใหญ่นะ ทุกข้อไปเห็นแต่สิ่งที่ตัวไม่มีไม่ได้สนใจชื่นชมสิ่งที่ตัวมีมีผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่งนะชื่อหวังเหมยเหลียงกาเกิดมาเนี่ยที่การทางสมองพูดไม่ได้เดินไม่ได้ แต่อมาก็ไม่แน่ใจว่าถ้าแม่เนี่ยรู้ว่าเธอพิการสมองตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยแม่จะแม่จะให้ออกมาหรือเปล่าแม่หลายคนไม่อยากจะให้ลูกออกมาถ้าลูกพิการนำสมองแต่แม่ขอหวังเหมืห เ, เนี่ยก็ก็เลี้ยงดูเธออย่างดีทั้งที่เธอพิการนะเธอเรียนจนจบปริญญาเอกในหมหาวิทยาลัยชั้นนึ่งอเมริกา UCLA มหยายแห่งแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิส ปริญญาเอกนะอาตมานี่สมองไม่พิการจัง <laughs> เรียนไม่แห่งเธอเลย <laughs> เธอก็ได้รับเชิญให้ไปพูดตามที่ต่างๆให้กำลังใจวันนึงก็ไปพูดในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเธอพูดไม่ได้เธอเขียนเอาใส่กระดานนะพอเธอบรรยายเสร็จก็มีเด็กคนหนึ่งถามคุณมองตัวเองอย่างไร คุณรู้สึกกับตัว อ, อย่างไรที่เกิดอาการห้องประชุมนี่เงียบกริบเลยนะเพราะว่าถามแบบที่มันถามตรงไปใจว่างเมื่อวันก็ยิ้มแล้วก็เธอก็หันกลับไปเขียนกระดานฉันรู้สึกฉันมองตัวเองอย่างไรหนึ่งฉันเป็นคนน่ารัก 2. องพ่อแม่รักฉันสามพระเจากก้าประหลักฉันเธอเป็นคริสสี่ฉันมีเรียวขาที่สวยงามห้าฉันมีแมวที่น่ารักหกฉันวาดรูปเขียนหนังสือได้เธอว่ารูปสวย แต่ที่คนประทับใจคือข้อที่เจ็ดนะฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีสิ่งที่เธอไม่มีคืออะไรความสามารถในการพูดความสามารถในการเดินเธอไม่มีใช่ไหมเธอก็ไม่สนใจไงเธอมาสนใจสิ่งที่เธอมีมีอะไรนะมีหลายอย่างมีความรู้ความสามารถแล้วเธอก็ใช้สิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเธอเรียนจบปริญญาเอง หลายคนเนี่ยมีเยอะแยะแต่ทุกพ้อไปสนใจแต่สิ่งที่ยังไม่มีไม่มีไอ o ฟนไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีแฟนและมีอื่นครบเลยนะขาดอย่างเดียวเนี่ยคนเราทุกข์ก็เห็นนี่นะมองไม่เป็นรู้จักซิกโก้ปะซิกโก้เกษรเสนามืองเป็นใครโค้ชใช่ไหม ก่อนเป็นโค้ชเาเป็นใครเป็นนักเตะซุปเปอร์สตาร์เป็นกัปตันทีมชาติเขาเคยไปแข่งรับแข่งฟุตบอลอาชีพที่ที่ไหนมาเลเซียเวียดนามนะตอนหลังเขาได้ไปเซ็นสัญญาแข่งที่อังกฤษโอ้ยคนไทยนี่ตื่นเต้นกันใหญ่นะเพราะว่าไม่เคยมีนักฟุตบอลไทยเนี่ยได้ไปแข่งในอังกฤษในนามสโมสรอังกฤษซิโก้จะเป็นคนแรก แต่สามชิก่นนี่กูฟังฝังส่วสๆของเขาส ว, ส, ว ส, วสวมเสื้อสโมสรฟุตบอลอังกฤษแต่บอกว่าเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเ ป, เ, ปเป็นหลายเดือนนะไม่เคยได้ลงสนามเลยเอาแต่นั่งอยู่ในเก้าอี้อุ้นอ้นแรนสำรองแกเครียดมากแกทุกมากนะรู้สึกว่าการไปนี่อังกฤษข้างใ น, นล้มเหลว เสียความรู้สึกเลยแต่ละจากนั้นหลายปีเนี่ยเมื่อมีคนไปสัมภาษณ์แกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้ น, นแกยิ้มนะบอกไม่มีอะไรเลยแต่ผมมองไม่เห็นผมมองไม่ออกหมายความว่ายังไงจะบอกว่าไปครั้งนั้นเนี่ยมีแต่ได้กับได้ได้ภาษาหนึ่งได้รถ2ได้บ้านสได้ภาษานะสี่ได้เจอมมุได้พัฒนาทักษะนะหได้เจอ คนหลากหลายหกได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะได้ท่องเที่ยวแล้วก็ได้สัมผัสเหรกที่มีสีสันที่สุดในโลกเสียอย่างเดียวคือไม่ได้เล่นใช่ไหมคือที่แกทุกเนี่ยเพราะแกเห็นแต่มองเห็นแต่ข้อเสียคือไม่ได้เล่นแกถึงทุกเท่าที่แกแกได้อะไรมาต้องยอะแยะแต่แกมองไม่เห็นไง แกมองเห็นตอนที่มันผ่านเหตุการนั้นเป็นนะปพักใหญ่แนละ้ชาซิกโก้คนนี้นะเขามองเป็นนะเขาจะเขาจะเขาจะไม่ทุ่งนะเนี่ยเพราะโอเคไม่ได้เล่นก็จริงแต่ว่าฉันได้แบบเยอะๆนะก็อาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะอไม่เล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นไรเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้เราจ่มาเชื่อเลยว่าถ้าตอนนั้นแกไม่เสียสูนยนะแกจะมีประสบการณ์เยอะเลยที่จะมาถ่ายทอดให้กับ ทีมไทยให้เก่งยิ่งกว่า น, นี้นี่ขนาดนี้เก่งแล้วนะแต่จะเก่งยิ่งกว่า น, นี้นะถ้าเกิดว่าซิกโก้เนี่ยเขาไม่เสียสูนในในช่วงนั้นนะป่านนี้ไทยก็ชนะอีรักไปแล้วนะไม่ใช่แคไปรอไปรอรุ่นกันนะไปรอรุ่นกันปีหน้าเนี่ยไม่รู้จะชนะป่านนี้ชนะลอยลําเข้ารอบสุดท้ายทุบกบอลลูไปแล้ว เออเรื่องมองเรื่องมองเนี่ยสำคัญนะคุณมองถ้าคุณทํางานคุณมองแต่ลบนะคุณก็เห็นแต่ข้อเสียเห็นแต่ข้อล้มเหลวเห็นแต่ปัญหาแต่ถ้าคุณมองบวกคุณก็จะเห็นว่าโอดคุณได้อะตั้งเยอะแยะนะคุณจะได้เห็นความสําเร็จมากมายแล้วคุณก็จะมีกําลังใจเวลาทำงานจะมีความสุขแล้วคุณก็จะไม่มีปัญหากับเพื่อนเพราะคุณก็จะเห็นว่าเพื่อนนี่ก็มีข้อดีอะไรอย่ะ การบางทีเราเจอผู้คนมากมายก็มีทั้งคนที่มีความสุขแล้วคนที่ ม, มีมีความทุกข์เนี้ยหลายเจอคนที่มีความสุขเราก็ก็ก็ดีใจด้วย เ, เจอคนที่มีมีความทุกข์หรือบางทีเราก็ไม่เคยเกับนว่าเขแสดงความทุกข์ก็มีคําถามคือการที่จะ ให้กำลังใจสำหรับคนที่มีความทุกข์ทำทำได้อย่างไรบ้างครับอาตมาว่าอย่างแรกเลยนะฟังเขาคนทุกข์เนี่ยนะเขาเขาต้องการคนที่เข้าใจเขาคนที่ฟังเขาคือจะเข้าใจเขาได้นิดต้องต้องฟังเขาอน่อยอาตม า, าเนี่ย ทำงานเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยระยะสุดท้ายเยอะเนี่ยแต่ผู้ป่วยเหล่านี้มีความทุกข์เวลาเราไปเจอผู้ป่วยเนี่ยที่เ้ามีความทุกข์เนี่ยคำถามเดียวกันคือเราจะช่วยเขาอย่างไรสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการนะีจริงไม่ใช่คาแนะนำมี เพื่อนมีจิตอาสาเนี่ยเอาต่เจาจับตบลมคนเนี่ยนะเรื่องผเผชิญความตายสงบแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยก็ให้พวบรวมเนี่ยไปเข้าไปเป็นจิตอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยไปเป็นคู่ก็มีพี่หญิงสองคนเนี่ยไปเจอคนไข้เป็นคุณลุงเนี่ยแกปวดทวารแกก็ร้องปวดมากแกก็กร้องครางนะจิตอาสาเนี่ยพอแนะนํำตัวเสร็จประโยชน์แรกที่แกถามคือว่า คุณลุงคะที่คุณรู้ว่าปวดนี่ปวดอย่างไรคะบอกกัว่าลุงนี่แกชอบมากเลยมันโดนใจกันมากเลยแกบอกไม่เคยมีใครถามแกบแบบนี้เลยไม่มีมลูกมีแต่บอกว่าให้พ่อเนี่เข้มแข็งหมอนี่ก็ให้แต่ยาไม่ได้พูดอะไรคุณลุงเนี่ยแกประทับใจคํำพูดนี้เพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะเข้าใจเขาความพยายามที่จะฟังว่ากระปวดอย่างไร อันนี้เนี่ยตระมาคิดว่าเป็นเป็นความรู้สึกร่วมของคนทุกข์นะถึงแม้ว่าไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ป่วยกายอาจจะป่วยใจทุกข์ใจเริ่มต้นด้วยการพยายามฟังเขาเดี๋ยวเพิ่งไปสอนเขาเดี๋ยวเพิ่งไปแนะนําเขายามเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไรเพียงแค่คุณฟังเขาอย่างใส่ใจเนี่ยมันเยียวยาเขาได้มันช่วยเขาได้มากกวเดียวเริ่มที่ตรงนี้ก่อน เพราะคนทุกเนี่ยรู้แล้วแต่อยากต้องการเพื่อนนะแล้วพอพอฟังแล้วเนี่ยนะจิตใจเขาก็จะเริ่มคลี่คลายบางทีเนี่ยนะเพียงแค่ได้พูดนะคนทุกข์กนนะพอได้พูดด้วยพูดแล้วมีคนฟังอย่างตั้งใจนะเขาจะรู้เลยว่าจะแก้อย่างไรบางทีความคลี่คลายมันดีเองเลยอีกกรณีหนึ่งนะ มีมีผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่เชียงใหม่แกเป็นอะเร็แล้วก็โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยคนนี้เนี่ยก็มีโครงการจัดกิตอาสาไปไปไปเยี่ยมที่บ้านผู้ป่วยคนนี้เนี่ยนะสมมติว่าชื่อไก่ ก็ได้จิตอาสามาคนหนึ่งนะเธอชื่อเพ็ทเจอาสาเนี่ยตามปกติเนี่ยจะทําหน้าที่ไปฟังคนไข้แต่เพราะว่าจิตอาสาคนนี้คือเพชทเนี่ยเอาแต่พูดพูดพูดพูดพูดคนไข้ก็ดีนะเีจยวก็ฟังบางทีจิตอาสา พ, พู ด, พ, ดพูดไปพูดออกจาประเด็นจิตอาสาก็เพียามตัดล่อมให้เข้าสู่ประเด็น แต่วบิงทก็ถามว่าที่พูดเนี่ยหมายความแบบว่าแบบที่ใช่ไหมคือแกค่อนข้างสับสนนกจินอาสาแกมาทุกครั้งแกก็ พ, พูดพูดพูดนะคนไข้ก็ดีแล้วก็พยายามที่จะฟังทางที่น้าที่ของคนน้าจิงจินอาสาคือฟังคนไข้ามากกว่าเป็นที่นี่อยู่เป็นเดือนนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยแพทย์หรือจินอาสาเนี่ยก็มาแต่เช้าเลยมาหา มาหาไก่หน้าตาไม่เป็นมาราช้ามาตอนบ่ายๆหน้าตาดูยิ้มแย้จ่ใสแล้วเพชรก็บอกกับคนไข้ว่าพี่หนูอยากจะขอบคุณพี่นะเป็นยังไงเหรอเมื่อเช้าเนี่ยหนูไปหาจิตแพทย์มาคือก่อนที่หนูจะมาปเป็นจิตแพทเนี่ยหนูมีประวัติทางรู หนต้องปรึกษาจิตแพทย์อยู่ประจำเลยลูเรื่อหาทางจิตแกเพิ่งเปิดเผยนะว่าแกมีเรื่อหาทางจิตหนูไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์คนนี้เนี่ยหนูเคยไปหาก่อนที่จะไปจิตอาสาแต่ว่าแกให้แต่ยาหนูก็เลยไม่ไปหากันเล ย, เลยมันเป็นจิตอาสาแทนแต่ไปเที่ยวนี้เนี่ยไปเจอหมอเนี่ยหมอก็ถามว่าคุณไปทําอะไรมาคุณไปรักษาที่ไหนคุณดีขึ้นเยอะเลย ดีเพราะอะไรฮะดีเพราะมาระบายให้ให้ไก่ฟังแล้วไก่ก็นั่งตั้งใจฟังอย่างดีนะเพศเนี่ยนะดีคือเลยเพีงเพราะเพีงแค่มีคนฟังปัญหาแก่นะคุณลองเริ่มต้นตรงนี้นะฟังด้วยความตั้งใจอย่าเพิ่งคิดไปให้คําแนะนำอย่าเพิ่งไปสอนเพียงแค่คุณอยากจะฟังเขาเนี่ยเขาก็ประทับใจแล้วล่ะเขาก็ซาบซึ้งแล้วล่ะนะฟังด้วยความใส่ใจนะ แล้วคุณจะให้กำลังใจอะไรเนี่ยก็ขอให้หลังอย่างนั้นขอขอนุญาตเรียนถามาจารย์นคราบคำถามจากท่านหลานครับว่าเวลาที่เราโกโรธมีกมีคนบอกว่าให้รู้ตัวว่าเราโกโรธและรู้เท่าทันความคิดแต่ขณะนั้นเรารู้แล้วว่าโกโรธและพยายามยิบหาข้อดีต่างๆแต่ความแต่ตอนนั้นเราโกโรธไปแล้ว มันจะมีประโยชน์อะไรไหมและเราควรทําอย่างไรดีครับคือเวลาโกรธเนี่ยส่วนใหญ่คนเนี่ยเรียกว่าร้อยทงร้อยไม่รู้ทั่วตัวเองโกรธร้อยทรอยไม่รู้ตัวเองโกรธคนเศร้าเหมือนกันนะคนเศร้าก็ไม่รู้ตัวเองเศร้าตอนนี้พอโกรธเนี่ยนะ สิ่งที่จะช่วยได้ดีเนี่ยไม่ใช่กดข่มความโกรธแต่ให้รู้ทันความโกรธอันนี้ถูกแล้วนะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูนัตุโลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆเนี่ยมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่บอกว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็จะดับเอง ความโกรธเป็นอย่างนั้นความเศร้าเป็นอย่างนั้นความเครียดเป็นอย่างนั้นคือรู้ทันเมื่อไหร่มันก็จะตับไปเพราะว่าเราโกรธเพราะไม่รู้ตัวแต่เมื่อตามที่เรามีสติรู้ทันนั่นแปลว่าเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าคนหลายคนเนี่ยก็จะถามว่าทําไมรู้ว่าโกรธแต่ทําไมยังยังโกรธอยู่เนี่ยก็เพราะว่าความรู้ตัวของเราสติของเราเนี่ยมันยังน้อย เมือกับไฟกองใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราเอาปืนฉีด น, น้ดํายิงเข้าไปเนี่ยฉีด น, น้ำใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ดับหรอกมันก็แค่ฟู่โ่วคราวความกลัวของเรามันแรงแต่ว่าสติความตึงเรามันน้อยมันก็เหมือนกับน้ําน้อยไม่ไม่อาจดับไฟได้นะครับนี่คือคำอธิบายที่หนึ่งนะส ต, ติเราน้อยเหมือนน้ําที่มันน้อยดับไฟไม่ได้หรือประการที่สองนี่เป็นเพราะว่า เราไม่ได้รู้ตัวเราไม่ได้มีสติเต็มร้อยเราไม่ได้มีใจที่เป็นคมควมว่ารู้ตัวเนี่ยนะหรือว่าความรู้ทันความโกรธเนี่ยมันต้องรู้ด้วยใจที่เป็นกลางๆางนะไม่โกรธไม่ผักใสใจที่เป็นกลางๆคือไม่ไม่ผักใสแล้วก็ไม่ขวยคว้าใจเป็นกลางๆา<ขอ>งเมื่อเห็นความโกรธใจก็เป็นกลางต่อความโกรธ ถ้าใจเป็นกลางจริงๆเน ue, ความโกรธจะดับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลารู้ว่าโกรธเนี่ยแต่ว่าใจมันไม่ได้เป็นกลางจริงๆมันมีความรู้สึกไม่ชอบความโกรธมันอยากจะให้ความโกรธดับไปธรรมาชาติของจิตเนี่ยถ้าเราถ้าเราลบถ้าเรามีความ ม, มีความรู้สึกลบต่อสิ่งใดเนี่ยต่ออารมณ์ใดเนี่ยเราจะพยายามกดข่มมันและยิ่งเรากดข่มมันเท่าไหร่นเนี่ยมันก็มืนกัแรงกดทับแรงตา้านยิ่งกดข่มมันยิ่งสู้ ยิ่งกดมันยิ่งระความแอ้เมื่อใจเราเนี่ยมันมีความรู้สึกลบต่อความโปรดจะให้ความโกรธตับไปเนี่ยมันจะไปเผากดข่มความโกรธจนไม่รู้ตัวความกรมันก็เลยมันก็เลยไม่ยอมหมดไปสักทีเปลี่ยนเหมือนกับว่าเราจอนน้าดับไฟแต่ว่าน้าเนี่ยบางครั้มันมีน้ำมันมันไม่ใช่น้ําบริสุทธิ์มันมีน้ํามันเราโยนน้ําสาดน้ําเข้าไปมันไม่ดับเพราะมันมีน้ํามันเจือปนอยู่ ตอนที่เรามีสติรู้ว่าโกรธเนี่ยมันไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่ ม, ไ ม, ชมีไม่ใช่มีสติที่บริสุทธิ์มันมีความรู้สึกไม่พอใจมีความรู้สึกอยากจะกดข่มความโกรธนั้นเอาไว้ไอ้ตัวนี้แหละที่มันทำให้ความโกรธไม่หายแล้วพยายามตั้งสติให้ดีแล้วก็ทำให้ใจยยู่กลางอย่างแท้จริงความโกรธมันจะทุเลาลง จากความรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นตอนที่เราเป็นเด็กเราก็อยากเป็นผู้ใหญ่พอเราเป็นผู้ใหญ่เราก็อยากเป็นเด็กใช่ไ่มเวลาเราเราเป็นโสดเราก็อยากมีแฟนหรือแต่งงานพอเราแต่งงานเราก็อยากเป็นโสดหลายคนเนี่ยอยากบวชพระพอบวชพระไม่นานก็อยากซื้อคือธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นใช่ไหมมันก็เลยไม่มีความสุขทัที เราคิดว่าเราทํางานแบบเราทํางานตําแหน่งนี้เราจะมีความสุขแต่พอเราได้ทําตําแหน่งนี้เราก็ไม่ชอบเราอยากจะากทำตาแหน่งอื่นเพราะว่าเราเนี่ยนะไม่ค่อยรู้จักมองเห็นข้อดีในสิ่งที่เรามีเราเป็นซึ่งเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าคนเราเนี่ยมักจะมองเห็นแต่มักจะมีความความขี้ลืมมองในทางลบ เรามีเยอะแยะแต่เราเห็นแต่สิ่งที่เรายังไม่มีใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนจากการมองเห็นสิ่งไม่มีนันมามองเห็นสิ่งที่มีแล้วชื่นชมสิ่งที่มีไอความไม่พอใจที่จะไยโนดนไปนี่ก็หมดไปใช่ไหมมันเหมือนกับเวลาคุณไปตลาดไปห้างเนี่ยคุณเห็นเสื้อ ลองท้าเนี่ยคุณก็อยากได้แต่คุณก็ไปซื้อมันมาบางทีโหยต้องไปต้องไปหาเงินมาเก็บออมมากว่าจะซื้อมันได้พอคุณได้ไมาแล้วนะคุณรู้สึกเฉยๆนะตอนที่คุณยังไม่ได้เนี่ยโหมันมีสเสน่ห์คุณมากเลยแต่พอคุณได้มานะคุณรู้สึกเฉยๆอาจจะวันแรกอาจจะดีใจนะวันที่สองที่สามคุณเฉยๆหลายคนเนี่ยมีเสื้อใหม่เต็ม เ, ต, มเ ต, มตู้เลย นะแต่ก็ยังอยากได้เสื้อใหม่อีกเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเร า, เรามักจะมีความสุขกับสิ่งที่ยังไม่มีไอ้สิ่งที่มีเนี่ยเราไม่รู้สึกปลื้มหรือสุกกับมันใช่ไหมอันนี้เรื่องเดียวกันเพราะ น, นั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมีรองเท้าสามร้อยคู่และสองในสามอาจจะไม่ค่อยได้ใส่เลยคือพอยังไม่ได้มานะก็อยากได้ แต่พอได้มาแล้วเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์เจิดจาอันนี้ขอโทษนะก็เปลี่ยนมันกับเพศตรงข้ามนะตอนที่ยังไม่ได้เขาเป็นแฟนนะหรือยังไม่ได้เป็นเมี ย, ยนะโอ้โหก็ตื่นลนนะแค่เห็นหลังคาบ้านหรื อ, อหน้าบ้านก็มีความสุขละไม่ต้องเห็นตัวแต่พอได้มาแล้วเนี่ยมันก็มันเป็นความความสึกความสุ ข, สขหรือสเสน่ห์ก็จะ จ, จืดจ้า อันนี้เป็นเรื่องมุมมองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยหันมาสนใจในสิ่งที่คุณมีชื่นชมนะในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนะปัญหาที่ว่าจะไม่เกิดเช่นตอนที่เป็นตอนที่ตอนตอนโตแล้วเนี่ยเราก็มองเออการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างใช่ั้ยฮะอย่าไปมองเห็นแต่ข้อเสีย พราะจะน่้วก็เสียเรายุง่งอะโอ้ยตอนเป็นเด็กนี่มันดีนเดยอะมีสิสระไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กจริงเราก็คงไม่ชอบเป็นเด็กเหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นแต่ข้อเสียของความเป็นเด็กนะต้องอยู่ในบังคับนะของผู้ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยจะมาคิดว่าเราแ ท, ทแทนที่จะแทนที่จะคิดเป็นจากอื่นที่ไม่ใช่เรา ตอนนี้เนี่ยเราหันมาสนใจให้ความสำคัญแล้วก็มองสิ่งที่เรามีที่เราเป็นในขณา น, นี้นะชื่นชมชื่นชมมันซะมองเห็นข้อดีของมันก็จะมีความสุขได้ง่ายแล้วเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสันโดษความพอใจนะปัญหาหนึ่งที่ทำให้คนเราไม่พอใจสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นเพราะว่าการเปรียบเทียบแล้วเรามักจะไเปรียบเทียบกับคนที่เขามีมากกว่า ใช ม, มีมากกว่ามีดีกว่าอัตมาเคยไปเคยไปบรรยายเคยไปบรรยายที่แห่งหนึ่งนะบรรยายเสร็จอัตมาก็บอกว่าอัตมามีหนังสือมาแจกนะแต่ว่าไม่พอที่จะจ่ายทุกคนอัตมาก็เอาหนังสือเปิ้ลนึ่งเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าแล้วแล้ให้คนที่สนใจมารับ หนังสือขนาดเท่าเท่าฝ่ามือคนที่มารับก็ก็ดีใจเพราะว่าหนังสือมีจํากัดหมดพึ่งนั้นไปอาตอมาก็เอาพึ่งใหม่มาครั้นี้เป็นปึ่งใหญ่พึ่งที่เป็นหนังสือเล่มหนา เ, เป็นหนังสือเล่มหนาเป็นหนังสือที่ใหญ่กว่านิดหน่อยอัตยิ่ใหญ่ประมาณเนี้นะใหญ่ประมาณเนี้ เล่มพึ่งแรกเนี่ยหนังสือขนาดเท่าฝ่ามือแต่เนี่ยขนาดเนี่ยก็มีคนมารับไปนะสักพังเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เล่มเล็กไปเนี่ยก็มาต่อมาบอกขอเปลี่ยนได้ไหมเอาเล่มใหญ่คือเธอรู้ได้ไงว่าเล่มเล็กมันเล่มใหญ่ดีกว่าเล่มเล็กเคอไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมคือเธอตอนแรกเธอดีใจที่ได้แต่พอเห็นเพื่อน หรือคนอื่นได้เล่มใหญ่กว่าเธอทุกเลยใช่ไหมอันนี้หมอไม่เป็นแทนที่หมอเออฉันได้แต่คุณื่นไม่ได้นะเธอไปมองว่าฉันได้เล่มเล็กกับคนอื่นได้เล่มใหญ่ <c oughs> ก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยนะได้โบนัสมาพุทธแสนหนึ่งนะทีแรกก็ดีใจนะแต่พอรู้เพื่อน <c oughs> เพื่อนคนได้แสนห้านะทุกเลยเใชนไหม หรือว่าเนี่ยมีคนเราเนี่ยกับเพื่อนไปในบาซ่าที่เชียงใหม่นะไปเห็นไปเห็นย่ามใบหึ่งย่ามเฉาเขาเนะสวยเลยราคาห้าร้อก็ต่อมาจนเหลือสามร้อก็ดีใจนะพอไปถึงโรงแรมรากว่าเพื่อนเพื่อนร่วมห้องเราเนี่ยเขาซื้อย่ามใบย่ามชนิดเดียวกันเลยแต่เขาซื้อได้ถูกกว่า250หสิ จากที่ดีใจเป็นไงเสียใจเลยใช่ไหม <c oughs> คือสิ่งแม้คุณจะได้โชคแม้คุณจะได้โชคได้ลาเมนะืแต่ถ้าคุณมองไม่เป็นนะคุณก็ทุกมองไม่เป็นคุณมองเปรียบเทียบว่าฉันมีน้อยกว่าใช่ไหม <c oughs> เพราะนั่นเนี่ยสุขหรือทุกอย่างอยู่ที่มุมมองนะอยู่ที่มุมมอง ถ้าคุณมองลบก็มันจะไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณมองคุณมองในแง่บวกนะคุณก็จะมีความสุขได้ง่ายแล้วคุณจะพอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นคําว่าสันโดษพอเพียงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรเลย